จิเป็นพิษอันตรายที่สุดจะมีวิธีเจริญสติแก้ไขอย่างไรเมื่อเครียดอย่าคิดให้เครียดมากขึ้นว่าทำอย่างไรจะหายเครียดให้หันมารู้ว่าเครียดมากขึ้นหรือน้อยลงในแต่ละลมหายใจเมื่อโกรธอย่าคิดให้โกรธตัวเองมากขึ้นว่าทำไมไม่หายโกรธเสียทีให้หันมารู้ว่า โรดมากขึ้นหรือน้อยลงในแต่ละลมหายใจเมื่อคิดร้ายมองร้ายอย่ากแกล้งคิดดีอย่ากแกล้งมองดีให้หันมารู้ว่าอาการคิดร้ายมองร้ายเบาบางลงไปเองที่ลมไหนพืชเป็นพิษอาหารเป็นพิษเลือดเป็นพิษแม้เคราะห์ร้ายเกิดขึ้นรวมกันในคราวเดียวยังไม่ทรมานเท่าจิตเป็นพิษ พิดบางอย่างโดนแล้วปวดแสปวดร้อนอาหารปนเปื้อนทำให้ดินทุรนทุรายติดเชื้อเข้ากระแสเลือดมีผลให้อักเสบทั้งตัวแต่เหล่านั้นยังมากที่สุดก็แค่ทำให้ตายบางคนโดนพิษแล้วตายสบายด้วยจิตที่สบายด้วยซ้าแต่จิตเป็นพิษอันเกิดจากการสะสมโทสะหนักหรือจากนิสัยคิดมากวกวนไม่จบ โดยจากความเคยชินในการมองลบมองร้ายเมื่อกำเริบแล้วทรมานทั้งวันทั้งคืนไม่หยุดทั้งปวดแสบปวดร้อนจากไฟในอบทั้งกระสับกระส่ายทุรนทุรายนอนไม่หลับทั้งระบบขับถ่ายผิดปกติสาวันดีสี่วันไข้เท่านั้นไม่พอเมื่อจิตเป็นกระจุกมือได้ที่ก็อาจมีการคลาผิดสุดท้ายก้อนใหญ่กล่าวคือ หากขาดใจตายด้วยเหตุร้ายอันใดอันหนึ่งโอกาสไปสบายด้วยจิตสบายย่อมไม่มีมีแต่ถูกดูดลงเหวแห่งความมืดหน้าอึดอัดท่าเดียวจิตเป็นพิษทำให้คุณรู้สึกเหมือนมีพิษติดตัวไม่ว่าจะกินยาบำรุงยี่ห้ออะไรไม่ว่าจะบำบัดแนวไหนอย่างไรก็สลัดความรู้สึกว่ามีพิษออกจากตัวไม่สำเร็จ จิตเป็นพิษเป็นเรื่องร้ายแรงและอาจเกิดขึ้นกับใครก็ได้ที่เครียดด้วยคิดร้ายด้วยแล้วก็เชื่อมั่นว่ากูถูกด้วยสามูลเหตุนี้ผนึกกําลังเปลี่ยนจิตดีๆที่เคยมีสำนึกคิดอ่านแบบมนุษย์ให้กลายเป็นพิษกลายเป็นจิตที่ขาดสำนึกขังตัวเองไว้ในกรงปีศาจไม่ยอมปล่อยตัวเองออกมาและยากจะยินยอมให้คนอื่นช่วย คิดเอาดือด้อว่าคนอื่นโง่กว่ายังไงก็ช่วยตนไม่ได้ถ้าต้องการวิธีรัดในการแก้จิตเป็นพิษด้วยความหลงนึกว่ามีอุบายบางอย่างขจัดปัดเป่าพิษร้ายให้หายไปในวันเดียวได้อันนั้นเท่ากับคุณเพิ่มพิษใหม่ทับซ้อนขึ้นมาแล้วสะสมพิษไว้ในจิตกันเป็นสิปิปีมันยากกว่าถ่ายโลหะหนัก หรือกำจัดพิษในร่างกายออกทั้งหมดซสี่อีกอย่าใจร้อนอย่ารีบร้อนถอนพิษในวันเดียวให้ได้ให้ใจเย็นทำความเข้าใจให้ถูกว่าต้องค่อยๆสะสมอารมณ์ฝ่ายดีที่เป็นคู่ตรงข้ามให้นานพอจะเป็นคู่ปรับอย่างสมน้ำสมเนื้อกับอารมณ์ฝ่ายร้ายกระทั่งดีจริงดีเต็มดีสบายพิษถึงจะหายหรือจิตกลายเป็นยาขึ้นมาแทน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 เมื่อคิดร้ายมองร้ายอย่ากแกล้งคิดดีมองดีให้หันมารู้ว่าอาการคิดร้ายมองร้ายเบาบางลงไปเองที่ลมไหนสะสมอาการรู้ให้มากอาการรู้นั่นแหละยารักษาจิตเป็นผิด